การปฏิบัติธรรมคือการบําเพ็ญจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตใจเรียกว่าการภาวนาเพื่อให้เกิดความสุขให้เกิดการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงผู้ปฏิบัติ จะต้องพบกับอุปสรรคความกั้นผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติอุปสรรคนี้มีอยู่ห้าลักษณะด้วยกันเรียกว่านิวรห้าแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องพบทั้งห้าอย่างบางคนก็อาจจะพบอย่างหนึ่งสองอย่างบางคนก็อาจจะพบอีก อย่างอีกสองอย่างไม่ได้หมายความว่าจะต้องพบทั้งหาอย่างกันทุกคนแต่จะต้องพบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งหรือสองก็ได้ก็ควรที่จะศึกษาว่าอุปสรรคเหล่านี้เป็นอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะแก้อย่างไร ให้มันหายไปนิวรนที่ขวางการทำจิตใจให้สงบขวางการปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จขึ้นมามีอยู่ห้าอย่างข้อที่หนึ่งเรียกว่าวิจิกิจฉาแปลว่าความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ว่ามีจริงหรือไม่สองการมาฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสจะเป็นตัวคอยกีดขวางไม่ให้ผู้ปฏิบัติได้ไปปฏิบัติเพราะจะดึงให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสข้อที่สาม คือความโกรธเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาการจะทำใจให้สงบนี้ก็ยิ่งยากขึ้นไปหลายเท่ายิ่งกว่าตอนที่ไม่โกรธเพราะเวลาโกรธแล้วใจจะวุ่นกับเรื่องที่ทำให้โกรธข้อที่สี่ความ ม่วงเหงาหาวนอนจะนั่งสมาธิทีหาวเลยพอนั่งดูหนังไม่เป็นไรเตือนเต้นเตือ น, นตาพอให้นั่งสมาธิหรือนั่งฟังเทศฟังธรรมนี่เริ่มหาวกันหรือนั่งก็เตรียมหาเสาพิงกันอันนี้เพราะความ ง่วงนอนจะเกิดขึ้นข้อที่สี่หนึ่งสองสามสี่แค่ข้อหนึ่งสองสามสี่ข้อที่ห้ 1, 2, 3, เาเลยนะสี่เมื่อกี้คือความง่วงเหงาห้านอนข้อที่ห้าก็คือความฟุง้งซ่านถ้าไม่ง่วงนอนก็ฟุง้งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดไปเรื่อยเปื่อยนั่งยังไงก็ไม่สงบเพราะหยุดความคิดไม่ได้ น, นี่คือเรื่องของอนิวรที่เป็นอุปสรรคขวางกันการปฏิบัติธรรมการบําเพ็ญจิตตภาวนาให้ได้ผลขึ้นมา ถ้าเกิดนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งก็ต้องมาแก้กันเช่นข้อที่หนึ่งความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่คำสอนของพุทธเจ้าที่สอนว่านดแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงนี้เป็นความจริงหรือไม่นาติสันติป ร, รังสุขขัง สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีเป็นความจริงหรือเป็นการาจินตนาการของผู้ใดผู้หนึ่งแต่งขึ้นมาเพื่อหลอกให้ผู้ที่ไม่รู้ม า, าเสียเวลากับการหาความสุขเหล่านี้พระอริยสงสาวก ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติพระธรรมคำสอนและได้บรรลุถึงผลของการปฏิบัติมีหรือไม่อันนี้สาเหตุที่เกิดความลังเลยสงสัยก็เกิดจากการที่ไม่ได้ศึกษานั่นเองไม่ได้ศึกษาเรื่องของพระพุทธเจ้าไม่ได้ศึกษา เรื่องของพระธรรมคำสอนไม่ได้ศึกษาเรื่องของพระอริยสงสาวกก็อาจจะทำให้มีความลังเลสงสัยได้วิธีแก้ก็คือก็ต้องศึกษาเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงจากไปแล้ว พระ อ, องค์ก็ทรงบอกวิธีเข้าหาพระ อ, องค์ได้สองวิธีถ้าอยู่ใกล้ประเทศอินเดียไปสะดวกไปได้ก็ให้ไปที่สังเวชนียสถานสี่ไปดูที่ประตุที่ตัดสรุที่สแสดงธรรมและที่ปรินิพานของพระพุทธเจ้าจะมี ทรากปหลักหักพังมีเครื่องหมายแสดงบอกให้รู้ว่าที่นี่คือที่เกิดที่ตัดสรุที่แสดงทำครั้งแรกและที่เสด็จ ด, ดับขันทบอระะนิพานถ้าไปก็จะทำให้ความลังเลสงสัยในตัวพระพุทธเจ้านี้หายไปได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปกันทุกคนมีวิธีอื่นที่จะทำให้เราไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้วิธีที่สองการจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าก็คือเข้าสู่พระธรรมคําสอนให้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ซึ่งจะเป็นเหมือนหลักฐานทางปร ะ, ประวัติศาสตร์ได้มีการแสดงบอกเวลาสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆเช่นการแสดงพระธรรมปฐ ม, มเทศนาคือวันแรมวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดที่เรียกว่าวันอาสาหะบูชา yeah. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทำเป็นครั้งแรกจะมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกวันที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ว์วันเพ็นเดือนหกมีการบันทึกไวเป็นประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าได้ศึกษาก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริง แล้วถ้าสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีจริงหรือไม่เป็นผลดังที่ทรงตัดสอนไว้หรือไม่ก็เข้าหาพระอริ ย, สง ส, กกพพรยสงสาวกันเพราะพระอริยสงสาวกท่านเป็นผู้ที่ได้รับผลจากการปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพาน ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติหรือไม่ฉช่นนั้นก็ศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็นำา อ, อกไปปฏิบัติพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติของเราก็ได้แต่ถ้ายังปฏิบัติไม่ได้ผลก็ต้องหาพระอริยสงสาวุผู้ที่ได้ปฏิบัติได้ผลมาแล้วพอได้พบท่านได้ยินได้ฟังท่านก็จ รับประกันเป็นผู้เหมือนกับผู้ที่เคยใช้สินค้าพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนคนขายสินค้าสินค้าที่ขายก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบผู้ที่ซื้อสินค้านี้ไปใช้เสร็จก็จะเป็นผู้ที่มารับรองสินค้าอันนั้นว่ามีคุณสมบัติตามที่ ได้โฆษณาไว้หรือไม่เห็นไหสังเกตดูเวลาเราเห็นเขาโฆษณาสินค้าต่างๆนี่เขามักจะมีผู้ที่ใช้สินค้าแล้วมาออกความเห็นสินค้าชนิด น, นี้ใช้แล้วเป็นยังไงดีไม่ดีอย่างไรเราก็อ่านคำติชมของผู้ใช้สินค้า พอเราอ่านคำติชมแล้วเราก็จะได้รู้ว่าสินค้านี้เป็นอย่างที่เขาโฆษณาหรือไม่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราได้พบกับพระอริยสงสาวกเนี่ยท่านเป็นเหมือนผู้ที่ได้ใช้สินค้าของพระพุทธเจ้าแล้วคือได้ใช้พระธรรมคําสอนได้ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจนได้ เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆขั้นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ท่านก็จะเป็นผู้มายืนยันมารับประกันว่าธรรมต่างๆขั้นต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินี่เป็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าผู้ปฏิบัติปฏิบัติถูกต้องตามข้อข้อบังคับข้าบงข้อคำชี้แนะนำของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติตามคือปฏิบัติสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบั ต, บ ต, บบติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน ถ้าได้ยินได้ฟังจากปากของพระอริยสงฆ์เนี่ยมันก็จะทำให้เรานี้มีความมั่นใจเหมือนกับเพื่อนไปซื้อสินค้าชนิดหนึ่งมาแล้วเขาใช้มาอยู่พักหนึ่งเราก็อยากจะใช้เหมือนกันก็ถามเขาดูว่าเป็นยังไงเขาก็จะบอกเราว่าโองานนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หรือไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เราก็จะได้รู้ ต้องได้ยินได้ฟังจากผู้ที่ได้ใช้สินค้ามาก่อนแล้วเราจะได้มั่นใจว่าไม่ถูกหลอกอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราได้พบกับพระอริยสงสาวกพระปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเราจะได้ยินได้ฟังประสบประการณ์ของท่านจากการปฏิบัติว่า ผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นมีจริงหรือไม่ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ต้องเข้าหาพระอริยสงสาวกแต่พระอริยสงสาวกนี้มีเป็นพระภิกษุซึ่งอาจจะมีพระภิกษุที่เป็นเป็นอริยสงสาวกก็มีไม่เป็นก็มีอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่อาจจะยากสําหรับผู้ที่ดูพระไม่เป็นเหมือนเพชรปลอมกับเพชรจริงนะคนที่ไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพชรเลยก็อาจจะดูไม่ออกว่าเพชรจริงกับเพชรปลอมต่างกันอย่างไรอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาศึกษาถามคนที่รู้ถามเพื่อนฝูงว่าพระรูปไหนที่ไหน เป็นพระแท้เป็นพระไม่แท้เดี๋ยวไปศึกษาจากพระไม่แท้เข้าแล้วเดี๋ยวก็จะยิ่งทำให้สงสัยมากขึ้นเพราะพระที่ไม่แท้นี่ไม่ใช่เป็นพระอริยสงฆ์นี่ก็ยังมองยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมยังเป็นเหมือนคนตาบอดอยู่ถ้าไปถามทางกับคนตาบอดคนตาบอดก็ อาจจะชี้ไปทางนู้นทางนี้เรากล้าไปถามคนตาบอดไหยเวลาเราหลงทางถามพี่ทางไปบ้านนู้นไปอย่างไรเดี๋ยวเขาชี้ไปอีกทางหนึ่งเราก็ไม่รู้ะเเราก็จะไม่กล้าไปถามคนตาบอดการไปศึกษากับพระภิกษุที่ยังไม่เป็นพระอริยสงฆ์ก็เหมือนกันศึกษาแล้วแทนที่จะกําจัดความลังเลสงสัย ในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติแทนที่จะหายกับทาให้ยิ่งสงสัยมากยิ่งขึ้นไปอกีกยั้นงก็ต้องหาพระอริยสงสาวกต้องศึกษาค้นคว้าดูวิธีดูพระที่เป็นพระปฏิปันโนท่านเป็นอย่างไร ท่านปฏิบัติชอบท่านเป็นพระปฏิบัติอย่างไรก็ต้องเข้าไปสู่ในวงการของผู้ปฏิบัติแล้วก็เสาะแสวงหาอ่านหนังสือต่างๆเพราะหนังสือนี้ก็จะมีหนังสือของพระอริยสงสาวกที่ท่านได้แสดงธรรมได้เขียนเอาไว้แล้วพอได้อ่านแล้วก็จะ รู้จักว่าพระจริงพระแท้เป็นอย่างไร อ, อันนี้เช่นหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านเขียนประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านรู้จักเขา้ารบที่ท่านได้ไปสนทนาไปสอบถามเรื่องของการปฏิบัติของท่านเรื่องของผลของการปฏิบัติของท่านน ท่านก็เอามาถ่ายทอดให้กับพวกเราที่ไม่รู้จักพระที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าเป็นอย่างไรพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่าน ก, ก็จะมักปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระพุทธเจ้านี้เป็นพระป่าไม่ได้เป็นพระบ้านพระพุทธเจ้าศึกษาในป่าปฏิบัติอยู่ในป่า บรรลุธรรมอยู่ในป่าเป็นหลักส่วนใหญ่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอมนี้มักจะเป็นพระป่ากันพระป่าแล้วก็ปฏิบัติก็ทุกทุดงเขวั้ปฏิบัติกรรมฐานคือการเจริญกรรมฐานการเจริญสติด้วยกรรมฐานชนิดต่างๆ อันนี้เราก็จะพอเห็นลางของการดูพระว่าพระที่เป็นพระปฏิบัตินั้นท่านปฏิบัติอย่างไรอันนี้ต้องศึกษาต้องเข้าหาถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นใครก็ถามคนที่เขารู้ให้เขาช่วยแนะนำว่า พระรูปนั้นรูปนี้อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรแล้วเราก็ต้องไปเข้าหาไปฟังเทศฟังธรรมอะไรต่างๆ ต, ต่อไปเราก็จะรู้ว่าพระที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างไรแล้วการได้ฟังธรรมจากท่านก็จะทำให้เรา หายสงสัยในเรื่องของพระพูธพระธรรมพระสงฆ์ได้เพราะคำสอนของท่านนี้มักจะเป็นคำสอนที่เราค้านไม่ได้คือเป็นคำสอนที่ไม่มีข้อสงสัยที่เราจะสงสัยอันนี้เป็นวิธีแก้นิวอนข้อที่หนึ่งคือ ความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่พระธรรมนี้ก็มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยลองไปอ่านดูอ่านพระสูตรต่างๆพระสูตรอันแรกก็คือพระธรรมมาจากกัปวัตนสูตรที่ทรงแสดงให้แก่พระปัญจวัคคีอันนี้ก็จะทําให้เรา คายหรือบรรเทากำจัดความลังเลยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้จะทำให้เราเวลาปฏิบัติเราจะได้ทุ่มเทยอย่างเต็มที่ไม่เะ่นนั้นเราก็ยังอาจจะไม่แน่ใจก็ไม่กล้าไม่อยากจะทุ่มเทกลัวทำไปแล้วเดี๋ยวถูกหลอกเสียเวลา แต่ถ้าได้พบกับพระอริยสงฆ์ผู้ที่ได้ได้สัมผัสกับผลแล้วท่านก็จะยืนยันจะเล่าให้เราฟังว่าการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนีเ่เกิดความสงบเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้ก็เป็นวิธีของการแก้ความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะมาขวางกัน้นการปฏิบัติของเรา ถ้าเราไม่มั่นใจในสินค้าที่เราจะไปซื้อนี่เราก็จะไม่กล้าตัดสินใจว่าซื้อดีหรือไม่ดีซื้อประกันจากเจ้านี้ดีหรือไม่ดีกลัวซื้อแล้วเดี๋ยวถึงเวลาจะเคลมไม่มีเคลมไม่ได้อันนี้ก็ไม่อยากจะซื้อถามคนขายประกันดู <c oughs> <c oughs> คนขายประกันนีบางทีต้องยืนยันนอนยันรับประกัน เอาเอาคนที่ใช้แล้วมาเป็นผู้ที่เป็นผู้รับรับรองอีกทีหนึง่งไม่เชื่อเราไปถามคนนั้นคนนี้ดูอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้ความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้ามีอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความสงสัยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแก้บางคนเชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ เพราะอาจจะเชื่อผ่านทางบิดามารดาเกิดมาพ่อแม่ก็เชื่อเคารพก็สอนให้เชื่อให้เคารพอย่างนี้ก็ก็เป็นก็ไม่เป็นปัญหาที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญไม่ต้องไปอินเดียก็ไดไ้ไม่จำเป็นจะต้องไปอินเดียทุกคนครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเนี่ยถ้าจะไม่มีใครไปอินเดียกัน สมัยที่ท่านปฏิบัติกันท่านก็ปฏิบัติท่านเชื่อเชื่อจากปูญยาตายายเชื่อจากวัดวารามที่ท่านาไปทำบุญไปฟังเทศฟังธรรมก็เลยปัญหาข้อนี้อาจจะไม่มีสําหรับชาวพุทธผู้ที่เกิดในในครอบครัวของชาวพุทธนะีปัญหาเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงหรือไม่อาจจะไม่เป็นปัญหาก็ได้ แต่ผู้ที่ไม่ได้เกิดในครอบครัวของชาวพุทธเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับการปลุกฝังให้มีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อาจจะไม่มั่นใจก็ได้เพราะมีบางคนมาถามว่าคำสอนของพระเจ้าที่สอนให้ทำดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วเนี่ยเป็นคำสอนหลอกให้คนทำดีหรือเปล่า ผลจริงๆมีมีจริงหรือเปล่านะโลกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าอันนี้เขาไม่ก็ไม่เห็นนะเขาไม่รู้เขาก็เลยไม่รู้จะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีเขาก็เลยต้องมาถามพระที่ศึกษาพระปฏิบัตินะถ้าไปไปถามพระที่ได้เห็นผลจากการปฏิบัติคก็จะรับรองว่าอถูกต้องทุกอย่างสวาขาโตพระกัตาธโม ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้นี้ถูกต้องทุกประการทำดีได้ดีได้สุขได้เจริญแต่ไม่ได้ดีได้สุขทางลาบยศสรรเสริญอย่างที่พวกเรามองกันพวกเราคิดว่าถ้าทำดีแล้วต้องร่ารวยขึ้นต้องได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งต้องได้ราบการสรรเสริญเยินยออันนี้ไม่ไม่ได้เป็น เป็นผลที่เกิดจากการทำความดีความดีเกิดจากความสุขใจความเจริญก็เจริญของจิตใจที่มีหลายระดับนะระดับมนุษย์คือระดับที่พวกเราเป็นกันอยู่ทำดีก็จะยกระดับจากมนุษย์ไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลตามตามปริมาณของการทำความดีทำมากทาน้อย ก็จะได้มากได้น้อยไปตามที่ทำทําชั่วก็จะได้ความเสื่อมของจิตใจเสื่อมจากมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกเนี่ยอันนี้เป็นความจริงแต่ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัตินี้จะไม่สามารถที่จะเห็นได้รู้ได้ไม่รู้ว่านรกสวรรค์อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไร แต่ผู้ปฏิบัติแล้วจะรู้นี่นี่คือเรื่องของคนที่ยังมีความลังเลสงสัยอยู่ถ้าได้ไปศึกษากับผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมคือพระอริยสงสาวกแล้วท่านจะรับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำสอนเลยว่าเป็นความจริงทุกประการสวากขาโตภะวะตาธรรมโอ อนี้คือเรื่องของนิวรณ์ข้อแรกคือความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภาษาบาลีท่านเรียกว่าวิจิกิจฉานะข้อที่สองคือกามฉันทะกามะแปลว่ากามะคุณห้ากามะคุณห้าที่สัตว์โลกติดกันชอบกันแสวงหากัน คือรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะที่ใช้ตาหูจมูกดิ้นกายเป็นเครื่องมือในการเสพในการสัมผัสนทุกคนตั้งแต่เด็กทารกออกมาจากท้องแม่ก็เริ่มหากรรมฉันทะกันเด็กร้องนี้มันก็ร้องเพราะกรรมฉันทะนะผลตะเวลาหิวนี่มันก็เป็นผธพภะที่ทุกข์มันก็อยากจะให้กาจัดนะ เวลาร้อนมันก็ร้องเวลาหนาวเกินไปมันก็ร้องอันนี้สัมผัสกับพลทัพะของทางร่างกายที่เป็นทุกข์จิตนี้ต้องการเสรพผลทัพอที่เป็นสุขอยากจะเวลาหิวก็อยากจะทำให้อิ่มให้หายหิวเวลาหิวน้ำก็ต้องดื่มน้าเวลาปวดฉี่ก็ต้องถ่ายก็มักจะร้อง แสดงอาการของความไม่สบายใจที่มาเสพสัมผัสกับผลทพธธัชที่ไม่ถูกใจแล้วก็พยายามหารูปเสียงไว้ดูพอแม่จึงต้องซื้อตุ๊กตาซื้อปลาตะเพียนห้อยอยู่บนบนเปลใช่ถ้าดูเพดานเฉยๆมันไม่มีอะไรพอมีปลาทะเบียนมีตุ๊กตามีอะไร มีระฆังมีส่งเสียงดังเด็กฟังแล้วมันก็ไม่เหงาะถ้าโลกนี้ก็มีกามฉันทะหิวในรูปในเสียงรักสังเกตดูเด็กพอปล่อยให้อยู่พอเริ่มคานได้มันก็ไม่ยอมไม่ยอมอยู่เฉยๆแล้วมันจะคานหาดูนูน่นปะหาเล่นในนู่นเล่นในนี่ว่าเป็นจิตต้องการหา รูปเสียงกดลดิ่นรสหิวกับรูปเสียงกดลิ่นรสอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพอโตขึ้นมาก็หาเองได้วันไหนไม่ต้องไปทางมาให้อยู่บ้านเฉยๆได้ไอยู่ไม่ได้ต้องออกไปข้างนอกบ้านไปหารูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆอยู่บ้านมันมีแต่รูปเสียงกดลิ่นรสที่จำเจเห็นแล้วจนเบื่อน่ายมันจำเจไม่มีความรู้สึกสดชื่นเบิกบาน แต่พอได้ออกไปนอกบ้านได้เห็นนู่นเห็นนี่ได้ยินเสียงนู่นเสียงนี่ก็ทำให้เกิดมีความสดชื่นเบิกบานขึ้นมานี้ก็คือผลของกามฉันทะความยินดีหรือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี่เห็เวลามาปฏิบัติมานั่งสมาธินี่เดี๋ยวพอดี น, ดนั่งไปได้ไม่นานก็เริ่มเกิดอยากจะกินขนมขึ้นมาก็มี อยากจะเปิดมือถือขึ้นมาก็มีว่าใครส่งข่าวมาหรื อ, อยังมีมีอะไรเหตุการณ์ที่ไหนนี่เรียกว่าการมาฉันทะถ้าไม่รู้จักวิธีแก้ก็นั่งไปไม่ได้นั่งไปเดี๋ยวเดียวก็ต้องเลิกนั่งเพราะมันอยากดูอยากฟังอยากลิมรถอยากมดมกลิ่นต่างๆพอเกิดความอยากแล้วนั่งมันจะรู้สึกอึดอัดรู้สึก ทรมานใจจนในที่สุดก็ทนนั่งไม่ได้อันนี้วิธีแก้กามาฉันทามในเบื้องต้นก็ต้องรักษาศีลกันเรียกว่าเนคขมมะศีลเนคขมมะคำว่าเนคขมมะคือการงดการเสพกามนั่นเองเนคขมมะนี่เป็นการงดการเสพกามศีลที่จะงดงดการเสพกามก็คือศีลแปด ผู้ที่อยากจะปฏิบัติทำให้ได้ผลไม่มีอุปสรรคขวางกัน้นคือการมาชันทะก็ต้องถือศีลกันก็ เ, เรียกว่าสังวรตาหูสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายห้ามตาหูจมูกลิ้นกายไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆาศีลห้าศีลแปดนี่ก็เพิ่มอีกสามข้อแล้วก็เปลี่ยนข้อที่สามจาก การไม่ประพฤติผิดประเวณีมาเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกันการร่วมหลับนอนก็เป็นการเสพกรามอย่างหนึ่งเสพโธชพระเสพรูปเสียงกลิ่นรสของบุคคลที่เราลักเราชอบเนี่ยอันนี้ก็ต้องระ ง, งับไปห้ามต้องห้ามด้วยศีลแล้วก็ห้ามหาความสุขจากการดื่มรับประทานอาหารตามความอยากตามกรารมฉันทะ ให้ดื่มและประทานตามความจำเป็นความต้องการของร่างกายก็ให้ดื่มได้ถึงเวลาหนึ่งคือไม่ก่อนเที่ยงวันไปช่วงเช้าเนี่ยถึงเที่ยงนี้เป็นช่วงให้เติมอาหารให้กับร่างกายเติมเครื่องดื่มเติมละเติมน้ำอะไรให้กับร่างกายแต่พอหลังเที่ยงวันแล้วไม่ให้ไม่ให้แต่ต้องอาหารไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มอะไรต่าง มีเครื่องดื่มบางชนิดอนุญาตเพราะมันใช้เป็นยาอย่างนี้ได้อยู่ยาช่วยให้กำลังเช่นพวกมีน้ำตาลมีความหวานนี่พุปจยาอนุญาตยาเภษัชห้าชนิดที่ให้ใช้ดื่มหรือรัประทานได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วสำหรับพระภิกษุหรือผู้ที่ถือศีลแปดก็คือน้ำอ้อ ย, ยก็คือน้ำตาล น้ำพึ่งน้ำมันแล้วก็เนยข้เนเนยใสสิ่งเหล่านี้กินแล้วจะไปทำให้ความอิดโรยความเหนื่อยความอ่อนกำลังของร่างกายนี้บรรเทาลงได้สรงอนุญาตให้ดื่มให้ดื่มให้รับประทานได้และสรงอนุญาตให้ดื่มน้ำปานะคือน้ำผลไม้คั้น ผลไม้ก็ต้องเป็นผลไม้ที่ไม่ใหญ่กว่ากำปั้นขนาดใหญ่กว่านั้นสรงห้ามเช่นผลไม้เช่นแตงโมสับปะรดหรือมะพร้าวดื่มน้ำของพวกนี้ไม่ได้ดื่มได้แต่น้ำส้มน้ำของผลส้มของอ ง, งุ่นแอปเปิ้ลอะไรทำนองนี้แต่ต้องมีการกรอง ไม่ให้มีเนื้อติดมาให้ดื่มแต่น้ำเปล่ากลัวเดี๋ยวจะกินมากเกินไปไม่ใช่เลยกินมากแล้วเดี๋ยวเกิดนิวรณตัวใหม่ขึ้นมาคือความม่วงม่วงนอนอีกเนี่ยก็เลยให้กินพอประมาณหินถ้ารู้สึกเหนื่อยเอ็ดรอยไม่มีแรงที่จะเดินจงกร ม, มนั่งสมาธิเอา้าก็ดื่มซะหน่อยการปฏิบัตินี้เขาจะให้ดื่มแค่วันละครั้งเท่านั้น เช่นพระปฏิบัตินี่จะมีเวลาดื่มน้าปะนะกันช่วงบ่ายหลังจากที่ปัดกวาดลานวัดเสร็จแล้วก่อนที่จะไปส่งน้ำเนี่ยก็มานั่งฉันน้ำปะนะกันหรือบางวัดก็ให้ฉันก่อนปัดกวาดก็มีแล้วแต่แต่จะมีเวลาเดียวครั้งเดียวก็พอไม่ได้กินแบบพุ่าเพื่ออันนั้นกินตามกามาฉันทะหิวเองละ พอเพลนไปได้ห้านาทีหิวอีกแล้วเดี๋ยวจะนื่มน้นําปานะตอนหลังเพนไปแล้วเดี๋ยวจะดื่มน้ําพึ่งบ้างดื่มน้ําอ้อยบ้างอันนี้ทําไม่ได้ถ้าเป็นการการใช้พวกนี้เป็นยาไม่ได้ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองกามฉันทะกนะูบาอาจารย์ท่านจึงมีกําหนดเวลาให้ดื่มน้นําปานะได้วันละครั้งในตอนบ่าย ตอนเย็นตอนก่อนที่จะปัดกวาดลานวัดหรือหลังจากปัดกวาดลานวัดเสร็จแล้วก็มาดื่มน้ำปนานะกันแล้วก็ไม่ดื่มนานให้รีบดื่มเสร็จแล้วก็ได้ให้รีบไปภาวนากันที่วัดป่าบ้านตานี่หลวงตาท่านจะเดินมาคอยเช็คดูอยู่เรื่อยว่า ใครแชร่นั่งแช่อยู่กี่รอบกี่มาครั้งแรกเห็นท่านก็ไม่ว่าอะไรพอมาข้งนั่งครั้งที่สองเห็นท่านก็จะเริ่มเตือนนะพราะรว่าเริ่มจะติดการมาฉันทะแล้วไม่ได้มาดื่มแบบดื่มยาแล้วดื่มเพราะติดดื่มมากเกินไปก็ต้องมาคอยคอยเตือนคอยขับไล่ให้กลับไปทำกิจของตน ไปสงน้ำไปภาวนาทำอะไรต่างๆนี่คือเรื่องของการมฉันทะในเบื้องต้นต้องแก้ทางทางศีลศีล ส, สังวรหรืออินทรีสังวรสำรวมตาหูจมูกเล้นกายด้วยการาถือศีลแปดไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันแล้วก็ไม่ดูพวก รูปเสียงกลิ่นรสเช่นสื่อต่างๆที่เรามีอยู่ในมือถือวัดปฏิบัติเเข่งๆนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้มือถือกันสมัยก่อนที่วัดป่าบ้านตาไม่มีมือถือแม้แต่โทรศัพท์ก็ไม่ให้ใช้ทีวีวิทยุก็ไม่ให้ดูหนังสือพิมพ์ก็ไม่ให้ดูตัดหมดพวกนี้เป็นรูปเสียงกลิน่นรสที่จะมาทําให้จิตใจฟุ้งซ่านทําให้จิตใจไม่สงบนะ ก็เลยต้องคอยกำจัดห้ามเอาเข้าวทำไมก่อนนี้ไม่ให้ใครเอาเข้าของเรานี้เข้าวัดทรทัานนี่หลวงตาท่านเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเป็นเทวทัตเนี่ย <laughs> ผู้ที่จะมาทำลายศาสนาคือเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตนี่เป็นผู้ยุยงให้สงเกิดความแตกแยกกัน โทรทัศน์นี่ก็เหมือนกันมันจะทําให้สงฆ์ตายหมดภาพลิยาสงฆ์ตายหมดไม่มีภาพลิยาสงฆ์เกิดขึ้นมาเพราะมือแต่มานั่งดูทีวีกันฟังวิทยุกันสมัยนี้ก็ต้องรวมถึงมือถือเนอี่ยมือถือนี่มันก็มีทั้งทีวีมีทั้งโทรทัศน์มีทั้งวิทยุมีทั้งเสียงมีทั้งภาพนะถ้าเป็นวัดที่เขาเข่งกับการปฏิบัตินี่เขาจะยึดพวกมือถือไว้ไม่ให้ใช้กัน เพราะว่ามันจะทำให้เป็นนิวรนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตินั่นเองนี่คือวิธีห้ามกา ร, รมาฉันทะด้วยศีลสังวรถ้ายังห้ามแล้วถือศีลแล้วยังยังอยากอยู่นี่ก็อาจจะต้องให้ไปอยู่ที่ไกลจากที่มีแสงสีเสียงเช่นไปปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาเนี่ยจะไม่มีอะไรมา มาหลอกมาล่อให้ไปหามันไปอยู่วัดที่ไม่มีของกินเยอะๆบางวัดสมัยก่อนวัดป่าบ้านตานี้จะไม่ค่อยมีเครื่องดื่มไม่มีอะไรยุคแรกๆนี้หลวงตาท่านจะให้ชมโกโก้หนึ่งหนึ่งกาแลถึงเวลาก็พระก็เอามาเทใส่ถ้วยแล้วก็เดิมกันคนเดียวเสร็จ ริงสมัยหลวงปู่มั่นหลวงตาบอกแม้แต่ภาพของโกโก้ก็ไม่มีดูเพราะสมัยนั้นเป็นสมัยธุระ ก, กันดานลำบากไม่มีของต่างๆมาคอยคอยดึงใจให้ไปเสกนี่ต้องไปอยู่ที่ไกลๆอยู่ที่ห่างไกลจากความเจริญทางด้านวัตถุ อยู่ใกล้แล้วเดี๋ยวมันอดไม่ได้เดี๋ยวได้ยินเสียงเดี๋ยวเห็นภาพขึ้นมามันก็เกิดความอยากขึ้นมาอม่นี่คือต้องคอยสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายอย่าดูอย่าฟังรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆใจมันจะได้ไม่กำเริบจะได้ไม่ฟุ้งขึ้นมามจะได้ไม่มีอุปสรรคเวลามานั่งสมาธิ อุะสารคอย่างหนึ่งสําหรับพระก็คกือกลิ่นิมนต์เนี่ยหลองตาท่านก็ไม่ให้พระออกไปรับกลิ่นิมนต์เพราะออกไปข้างนอกวัดมันก็ไปเห็นรูปเสียงกดลดิ่นรสรูปของรูปเสียงกดลิ่นรสของญาติโยมทั้งหลายนีย่เห็นแล้วเดี๋ยวใจมันก็ฟุ้งกลับมาวัดรูปเสียงกดลิ่นรสมันก็ยังฝังอยู่ในใจพยายามนั่งสมาธิก็มันก็นั่งไม่ได้พุทธโธก็พุทธโธไม่ออก เพราะใจมันไปคิดแต่รูปเสียงกดลิ่นรสของคนที่ไปเห็นเวลาออกไปข้างนอกไปรับกลิ่นนิมนต์เนี่ยถ้าเลยไม่อยากจะให้พระออกไปรับกลิ่นนิมนต์แล้วก็เสียเวลาด้วยแทนที่จะ เ, เวลามาควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายกับจะเอาตาหูจมูกนิ้วกายไปเปิดรับรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆก็เลยทําให้เดินถอยหลังไม่ได้เดินก้าวหน้า ถ้าปล่อยให้ออกไปรับกิจนิมนต์บ่อยๆญาติโยมนี้ได้บุญแต่พระเนี่ยไม่ได้บุญพระขัดขาดทุนบุญบุญของพระมันไม่เหมือนบุญของญาติโยมบุญของญาติโยมคือทานเสียสละข้าวของเงินทองให้กับพระแต่บุญระดับนี้พระไม่ต้องการเพราะว่าพระต้องการบุญที่สูงกว่าอยู่คนละชั้นอยู่คนะระดับ บุญที่พระต้องการคือความสงบใจจะสงบได้ต้องปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสทั้งที่มาสัมผัสในปัจจุบันและที่ได้สัมผัสแล้วในอดีตแต่ยังตกค้างอยู่ในใจก็เรียกว่าสัญญาอารมณ์เออกไปที่ไหนมากลับมานี่บางทีใจมันยังคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นอยู่มันก็จะไม่ยอมพุโทโธไม่ยอมดูลมหายใจ แล้วถ้าไม่ละมัดระวังเดี๋ยวมันก็อยากจะออกไปเรื่อยๆจะไม่อยากอยู่วัดต่อไปก็ต้องลาสิกขาไปนี่คือทำไมหลวงตาท่านจึงพยายามไม่ให้พระเนนออกไปไปรับกิจนิมนต์ต่างๆยกเว้นกิจที่ของชาวบ้าน ที่เขามีบุญคุณต่อการใส่บาทเวลาเขาตายนี่ก็ให้พระไปบังสกุลไปที่ป่าชาอันนี้ไปเป็นประโยชน์กว่าเพราะศพของชาวบ้านนี้เขาไม่มีฝาโลงปิดเขาเป็นโลงแบบไม้ไผ่ปะด้วยกระดาษนี่แล้วก็เอาไปตั้งไว้บนบนศาลาเล็กๆให้พระไปสวดแล้วพระก็ไปพิจารณาศพเห็นศพเลย แล้วก็เขาก็จะยกศพขึ้นไปกองไว้บนขึ้นไปตั้งไว้บนกองฟืนชาวบ้านก็ไม่มีเมนวัดป่าบ้านตาดัดหมู่บ้านชาวบ้านไม่มีเมนมีปา่าช้าคนตายเขาก็ตัดไม้แล้วก็มาตั้งเป็นกองไว้แล้วก็พอผ้าสวดเสร็จก็ยกขึ้นไปตั้งบนอันนั้นละ่ะมันได้พิจารณาทมได้ประโยชน์ ได้พิ จ, จารณาเอาสุภาษได้พิจารณาความตายเห็นชัดชัดคนตายนี้เหมือนตุ๊ ก, กตาเนยนอนแข็งทื่ออยู่ น, นี่อันนี้ยกเว้นท่านอนุญาตเพราะว่ามันเป็นการตอบแทนบุญคุณเขาด้วยเขาก็ต้องการที่พึ่งต้องการให้พระไปทำพิธีให้เขาก็มีบุญคุณต่อวัด สนับสนุนใจบาทให้กับพระเ น, นีเมื่อถึงเวลาก็ทำกิจเหล่านี้ท่านก็ให้ไปทำแต่ท่านไม่ให้ไปรับกิจนิมนต์ในหมู่บ้านไปชันงานมงคลอะไรอย่างนี้ท่านไม่ให้ไป <c oughs> แต่งงานศพนี่ยกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษ <c oughs> <c oughs> เพราะไม่เป็นโทษกับพระนะเป็นคุณประโยชน์กับพระโดยพระได้มีโอกาสพิจารณาซากศพพิจารณาความตาย จะทําให้เกิดความสลดสังเวชขึ้นมาทําให้มีดวงตาเห็นธรรมสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือวิธีการไปอยู่กับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ รู้วิธีแก้นิวรเหล่านี้ท่านก็จะเอา ว, วิธีที่ท่านเคยใช้มาได้ผลมาสั่งมาสอนให้กับลูกศิษย์ตามลำดับต่อไปผู้ที่ไปอยู่กับท่านก็มกักจะได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์นี่คือวิธีแก้การมาฉันทะคือต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกาย ในการถือศีลถ้ายังไม่มีศีลแปดก็ถือศีลแปดถ้ามีศีลแปดแล้วมันยังอ ย, อยากอยู่ก็ต้องพาให้มันไปอยู่ไกลๆจากรูปเสียงกลิ่นรสอย่าให้อยู่ใกล้เช่นมือถือนี่อย่าให้มันอยู่ใกล้มือเราเดี๋ยวก็อยากจะเปิดดูเดี๋ยวก็อยากจะติดตามข่าวสารติดตามเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวไปเห็นภาพขนมภาพอาหารเข้าก็หิวขึ้นมาอีก ภาพเครื่องดื่มเนี่ยในมือถือมีเยอะแยะไปหมดเนี่ยไปเห็นแล้วเดี๋ยวก็น้ําลายไหลแทนที่อยากจะไปนั่งสมาธิก็ไปหากาแฟดื่มดีกว่าหาขานมกินดีกว่าอันนี้คืออุปสรรคในการขวางกั้นในการภาวนาที่เรียกว่ากามาฉันทะเนี่ยข้อที่สามก็คือเอาความโกรธก่อนอความโกรธก็คือ บางทีเราจะนั่งสมาธิเดี๋ยวคนนั้นทนนี้ส่งเสียงเอกระทิ้คึกโคมขึ้นมาเราก็โกรธเขาได้ทั้งๆที่เขาก็ไม่รู้เขาไม่มีเจตนาเขาก็ทำอะไรตามเรื่องตามภาษีภาษาของเขาแต่เราก็ถ้าเราไปปฏิบัติอยู่ใกล้คนมันก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติเราปฏิบัติเนี่ยยังต้องปีกวิเวก ไม่จะได้ไม่เกิดความโกรธไปอยู่คนเดียวไปอยู่ที่ห่างไกลจากคนต่างๆแล้วถ้าเกิดความโกรธก็ต้องใช้คลานให้อภัยการแผ่เมตตาเพราะว่าให้ยังไงมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาแล้วเขาก็ทาเสียงดังขึ้นมาแล้วรบกวนเราแล้วเราไปโกรธมันก็ยิ่งทาให้เราวุ่นวายใจ แต่ถ้าเราให้อภัยเขาไม่ถือโทษเขาเขาไม่ได้ตั้งใจหรือก็ตั้งใจก็ไม่รู้แหละแต่เราก็ถ้าเราไปถือโทษไปจองเวรจองกรรมมันก็ยิ่งทำให้ใจเราวุ่นขึ้นมาใหญ่เดี๋ยวเราไปตอบโต้เขาเดี๋ยวก็ยิ่งเกิดปัญหาตามมาเราไปว่าเขาเดี๋ยวเขาก็กลับมาว่าเราเดี๋ยวก็เกิดการทะเลาะวิวาสกันตามมาแต่ถ้าเราให้อภัยเขา หรือโทษตัวเราเองว่าเรามันเรามันมาอยู่ผิดที่ที่ปฏิบัติที่ไม่มีปัญหาก็มีเยอะแย ะ, ยะทําไมไม่ไปปฏิบัติเลอถ้าเสียงมันดังนล้วมันทำไมไม่หาอะไรมาอุดหูเวลาฟังเพลงฟังอะไรยังอุดหูได้พอเวลาไม่อยากจะฟังเสียงก็เอาที่อุดหูมาอุดเสียงก็หมดเรื่องต้องอย่าไปตอบโต้อย่าไป อย่าไปส่งเสริมความโกรธ ด, ด้วยการอาฆาตพยาบาทต้องให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกันแล้วก็จำไว้เป็นบทเรียนว่าถ้าอยากจะปฏิบัติแบบไม่มีอุปสรรคนี้ต้องไปปีกวิเวกต้องไปอยู่คนเดียวอย่าไปอยู่ใกล้กันถึงแม้ไปอยู่ในวัดก็แยกกันอยู่ถ้าอยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวบางทีก็อาจจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ พอได้ยินเสียงเขาพอเห็นเขาเดินเพ่นผ่านก็อาจจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้เกิดความโกรธขึ้นมาได้ดังั้นต้องรู้จักให้อภัยแล้วควรทาที่ดีควรจะไปหาที่สงบสงัดวิเวกกายวิเวกจิตก็จะได้วิเวกแต่ถาสถานที่ที่เราอยู่มันวิเวกสงบสงัดไม่มีอะไรมาลบกวนใจ ใจก็จะสงบได้ง่ายเนี่ยนี่ข้อที่สามคือความโกรธข้อที่สี่คือความง่วงเหงาหาวนอนอันนี้ก็เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปพอรับประทานมากหนังท้องตึงหนังตาก็จะหย่อนลองเกต ด, ดูเวลากินอาหารใหม่ๆไปนั่งสมาธินี้จะสับประบกอะากอพับนั่งแล้วจะหลับ นวิธีแก่ถ้านั่งแล้วจะหลับก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมก่อนอย่าไปนั่งเดินจงกรมจนกว่าจะหายง่วงแล้วค่อยกลับมานั่งแล้วก็ต้องลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงลดลงไปตราบใดยังมีความง่วงอยู่ก็ลดลงไปเรื่อยๆบางทีถึงกับต้องอดเลยก็มีการอดอาหารนี่เป็นวิธีแก้ความง่วงได้ดีที่สุด พออดแล้วทีนี้มันจะหิวเลยหิวว่ามันจะไม่ง่วงให้นอนก็ไม่หลับนะแต่มันก็อาจจะทำให้ฟุ้งซ่านได้อันนี้ก็ต้องระวังถ้าอดอาหารแล้วควบคุมใจไม่ได้ควบคุมความหิวไม่ได้ก็จะทำให้ฟุ้งซ่านก็อาจจะไม่เหมาะกับผู้ที่ อ, อดอาหารแต่ผู้ที่สามารถควบคุมใจหรือกล้าความหิวได้ก็ การใช้การโอดอาหารนี้ดีทำให้ไม่ง่วงนอนเช่นรู้จกักบริกรรมพุทโธพุทโธเวลาที่เกิดความหิวขึ้นมาก็ใช้พุทโธบริกรรมไม่ให้นึกถึงอาหารมันมีพุทโธพุทโธเดี๋ยวความหิวมันก็หายไปเพราะว่าไม่ได้ไปนึกถึงอาหารหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องใช้ปัญญา ต้องเจริญอาหาเลยปฏิกูลสัญญาคือต้องพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารคือเวลาหิวเรามักจะนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานใช่ไ้มอาหารที่เขาขายตามร้านนี่เขาจะถ่ายภาพไว้ควันขึ้นเลยพอ น, นึกถึงภาพอาหารเหล่านั้นแล้วมันก็น้ำลายไหลท่านบอกให้พิจารณาเวลาที่มันเข้าไปในปากเวลามันเคี้ยวมันเคี้ยวผสมกับน้าลาย เร ล, ลองขายออกมาดูหน้าตามันเห็นหน้าตามันนี่นีถึงเวลาอยู่ในปากนี่โอ้ยอร่ออร่อยนะแต่พอเอามาขายออกมาให้เห็นหน้าตาใหเอากลับเข้าไปในปากมา น, นี้มันไม่อยากจะเอาเข้านะต้องดูภาพของอาหารที่ไม่น่าดูน่ากินถึงจะทำให้ความหิวความอยากอาหารหายไปเช่นอาหารที่อาเจียนออกมาอย่างนี้หรืออาหารที่ถ่ายออกมา อันนี้ก็เป็นอาหารทั้งนั้นเรียกว่าอาหารเก่านะอาหารใหม่ก็อยู่ในจานพอเข้าไปในร่างกายมันกลายเป็นอาหารเก่าไปหมดนะถ้าเห็นถ้าพิจณานี้ทุกครั้งที่หิวมันจะหายหิวเลยแล้วมันจะทำให้อดอาหารได้ไม่ทรมานใจเพราะความหิวส่วนใหญ่มันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแล้วก็ความหิวของร่างกายไม่ทรมานไม่กัดใจ ความหิวของร่างกายจะทำให้รู้สึกเพลียอ่อนแรงแต่ความหิวของใจนี้รู้สึกทรมานนะแต่ถ้าสามารถใช้สติหรือปัญญามาหยุดความอยากอาหารได้ใจก็จะสงบแล้วก็จะไม่รู้สึกหิวผู้ที่ปฏิบัติต้องการจะให้ใจก้าวหน้าให้สงบง่ายนี่มักจะนิยมอดอาหารกัน วเวลาอดอหามันจะบังคับให้เราต้องปฏิบัติสติต้องมาแลว้วเพราะภัยมาและเหมือนเวลาที่ไม่มีคู่ต่อสู้ทหารไม่มีคู่ต่อสู้ก็ปืนเปิก็ไม่ต้องถือไม่ต้องแบกบแต่พอรู้ว่ามีผู้ต่อสู้เข้ามานี่ปั๊บนี่ต้องรีบคว้าปืนคว้าอะไรกันไว้แล้ะอันนี้เหมือนกันเวลาเราปฏิบัติเวลาที่ไม่มีกิเลสไม่มีปัญหาเกิดขึ้นมาเราก็อาจจะ ประมาดไม่จเจริญพุทโธไม่อะไรไม่มีสติแต่พอมีปัญหาเข้ามามีทุกข์เข้ามาทีนี้ต้องรีบหาอาวุธมาแก้วความทุกข์พอเกิดความหิวขึ้นมานี้ต้องรีบใช้สติหรือปัญญาเพื่อมาหยุดความคิดปรุงแต่งที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารนี่มันมีประโยชน์ยึงทาให้นั่งทำให้ปฏิบัติได้อย่างต่อเ น, นื่อง จะไม่ขี้เกียจอย่างเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิจิตก็จะสงบมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับผลที่เกิดจากการได้อดอาหารนี้การอดอาหารนี้ก็ดีอย่างทำให้ไม่ต้องไปบินทบาตเมื่อไม่ฉันก็ไม่ต้องไปบินทบาตจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับชาวบ้านกับญาติโยม ถ้าไปบินฑบาตเดี๋ยวก็ญาณโยมก็ตามมาที่สาลายต้องมีอะไรกันอีกกว่าจะเสร็จกิจชั้นนี้ก็เสียเวลาไปหลายชั่วโมงพอไม่ไปบินฑบาตไม่ยุ่งกับใครนี้ก็ภาวนาได้ทั้งวันทั้งคืนเลยต่อเนื่องยาวนานแล้วนิวรนเรื่องของความหิวอาหารนี้มันความง่วงนอนจะไม่มีถ้า ถ้ารู้จักวิธีใช้การอุอาหารเป็นเครื่องมือแต่ถ้าใช้ไม่เป็นพออดแล้วฟุ้งคิดแต่เรื่องอาหารจะกระทั่งจะเป็นบ้าอย่างนี้ก็ก็ใช้ไม่ได้ น, นี้ต้องดูที่จิต น, นี่คือวิธีแก้ความง่วงเขาง่วงนอนความเกลียดค้าน เวลาฉันปกตินี่ฉันเสร็จกรรมกุติไม่อยากจะเข้าทางจงกลมไม่อยากนั่งสมาธิอยากจะหาหมอนเพราะว่ามันอิ่มแล้วมันมันสบายมันก็อยากจะพักผ่อนอยากจะนอนบานนีก็นอนยาวสองสามชั่วโมงไปเลยแต่ถ้าวันไหนไม่อดอาหารนี้ไม่ต้องพักกลางวันไหมมันไม่มันไม่มีความง่วงนี่คือเรื่องของการแก้นิวรณนข้อที่สี่ คือข้อความง่วงเหงาหานอนข้อสุดท้ายก็คือความฟุ้งซ่านจิตเราชอบคิดเลื่อยเปือ่อยคิดเรื่องนั้นแล้วก็ไปต่อเรื่องนี้คิดเรื่องนี้แล้วก็ไปต่อเรื่องโ น, น้นคิดได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นมาเคยหยุดคิดกันหรือยังคิดกันอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่มีสติมาควบคุมความคิดกันเรามีสติในระดับทตํทตามคำทตามคาสั่งของความคิดความคิดสั่งให้เราไปทาอะไรเราก็ทาตามมันไป แต่เราไม่มีสติในระดับที่จะมาหยุดความคิดกันมันก็เลยฟุง้งเวลานั่งสมาธิมันก็ไม่ยอมหยุดคิดมันก็คิดเรื่อยเปื่อยตามภาษาของมันฉั้นถ้าต้องการที่จะหยุดความคิดปุงแต่งฟุง้งซ่านนี้ต้องหมั่นเจริญสติให้มากแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเกี่ยวข้องกับคนอื่นพอเจอกันปั๊บมันก็ต้องคิดได้ใช่ไหมต้องคุยกันแล้วพอคุยก็เดี๋ยวก็เรื่องยาวแล้ว เห็นต้องรีบตัดบทเวลาเจอกันทักทายกันพอหอมปากหอมคอหรือบางแห่งนี้เขาลุกเขาเขาเข้าใจกันเขาไม่ทักทายกันเขาก็เพลงแต่พยักหน้าแล้วก็ต่างคนต่างไปทํากิจของตนเวลามาร่วมทํากิจก็ไม่มาคุยกันพระปฏิบัตินี้เวลาทํากิจเช่นมาปัดกวาดมาบินธบาตมากวาดถูศาลามาขบมาฉานนี้ก็ เ, เห็นท่านคุยกันไหมไม่คุยกันนะ ท่านมีสติอยู่กับงานที่ท่านกาลังทําอยู่งานของใครของมันทํำกันไปไม่ต้องมาคุยกันในสมัยพุทธกาลนี้ชาวบ้านไม่เข้าใจทําไมพระไม่ยอมคุยกันถึงคิดถึ ง, ถงต้องมาถามว่าทะเลาะกันหรือเปล่าโกรธ <laughs> กันหรือเปล่าก็ท่านอธิบายว่าไม่ไม่ได้โกรธกันไม่ได้ทะเลาะกันต่างคนต่างมีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งนะเพราะว่า ไม่ได้มาม า, มาบวชมาปฏิบัติเพื่อมามีเพื่อนมามีสังคมเนี่ยการบวชการปฏิบัตินี้มาเพื่อมามีความสงบมีความสุขจากความสงบหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยความสงบนะยังไม่สนใจที่จะคุยกันไม่ต้องทักทายกันนอกจากมีความจำเป็นจะต้องพูดต้องบอกในบางสิ่งบางอย่างก็พูดได้ไม่ถึงกับปิดปากแบบไม่พูดเลยมีภารูปหนึ่งท่านไม่เข้าใจ ท่านก็เลยไม่ยอมพูดแต่ท่านจะพูดกับใครท่านเขียนใส่ข้อความไปอันนี้เหมือนก็เหมือนกันแะมือนก็ไม่พูดด้วยปากมอพูดด้วยมือใช่เขียนเป็นข้อความส่งให้เวลาจะถามอะไรจะตอบทีก็เขียนใส่กระดาษกลับมาเพราะท่านถือท่านท่านตั้งสัจจะว่าจะไม่พูดไอ้ น, นี้ก็ไม่ไม่ไม่พูดมันก็ต้องแต่มันยังคิดอยู่อ่ะเพายังตอบอยู่ยังตอบโต้กันอยู่ เขาถามอะไรมาก็าตอบโต้อ ด, ด้วยการเขียนก็เขียนให้มันเสียเวลาทําไมก็พูดไปมันง่ายกว่ามันก็ใช้ความคิดเหมือนกันนยการที่จะไม่พูดก็ต้องอยู่คนเดียวนะอย่าอยู่ใกล้กันอย่าคลุกคลีกันพระพุทธเจ้าบอกผู้ปฏิบัติธรรมต้องไม่คลุกคลีกันต้องแยกกันอยู่เวลามาทํากิจร่วมกันกน็อย่าคุยกัน เดือน้ำปลาหน้าเนี่ยลงตาคอยมาสอดสองดูเลยเพราะชอบนั่งคุยกันนะพอหลงตามาที่เงียบเก็บพอท่านเดินผ่านไปปุ๊บอา้าวเริ่มพูดกันอีกแล้วท่านเลอต้องมาคอยตรวจตาอยู่เรื่อยๆใครนั่งนานเกินรอบพอเห็นรอบที่สองยังอยู่นี่ก็เริ่มส่งสัญญาณเตือนนะนี่คือเรื่องของความพุ่งสร้างเนี่ยเกิดจากการขาดสติ ก็จากการที่ไปยุ่งเกี่ยวกับกบคนนั้นคนนี้มากเกินไปมากกว่าความจำเป็นไปคุยกันบางคนที่ชอบคุยเพราะแก้เหงาไงพวกที่ยังไม่เจอความสงบเนี่เวลาอยู่คนเดียวจะรู้สึกเหงาแต่พอได้เจอใครนี่โอไ้ได้พูดได้คุยแล้วมันหายเหงาก็เลยพูดคุยกันยาวเลยเลยไม่ได้นั่งสมาธิกันนั่งคุยกัน ต้องใช้หนึ่งต้องอย่าอยู่ใกล้กันแยกกันอยู่ห่างๆเวลามาทำกิจร่วมกันก็อย่าคุยกันแล้วก็เวลาอยู่คนเดียวก็ต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดทำอะไรก็ให้อยู่กับพุทโธไปเดินยืนนั่งนอนก็พุทโธพุทโธไปหรือถ้าไม่ใช้พุทโธก็เฝ้าดูอิริยาบถไปกาลังทาอะไรอยู่ก็ทากับ ให้จิตอยู่กับงานที่กำลังทาร่างกายกำลังแปลงฟันจิตก็แปลงฟันไปกับร่างกายไม่ใช่ปล่อยให้ร่างกายแปลงฟันจิตก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สแสดงว่ามันยังคิดอยู่ต้องแม่มันคิดให้มันรู้อยู่เดียวรู้ว่ากำลังทำอะไรรู้ว่ากำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังนอนอกาลัง นั่งหน้าแปลงฟันกำลังเดินบินทบาทกำลังปาดกวาดกำลังขบฉันให้มีสติคอยเฝ้าดูเพียงอย่างเดียวไม่ให้คิดปรุงแต่งอย่างนี้อาการฟุ่งซ่านก็จะไม่เกิดถ้ามีสติคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลาและเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่ายเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ผลที่เกิดจากการปฏิบัติคือนัติสันติบาลังสุขขังก็จะได้สัมผัสกับ ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีลถแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงก็จะกลังวานขึ้นมาในใจเหมือนกับพระพุทธเจ้ามากระซิบอยู่ในข้างหูเลยลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงนัตติสันติพลังสุขขังเหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่ได้ตายไปหนึ่งมันจะตายไปสอง0ห้าร้อกว่าปีแล้ว แต่คําพูดของพระพุทธเจ้านี้มันจะกังวานขึ้นมาในใจดังที่พระเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนี่ยเห็นด้วยการปฏิบัติเนี่ยทำที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมันจะเป็นธรรมเดียวกันที่เราจะได้รู้ได้เห็นถ้าเราได้ปฏิบัติได้เห็นผลจากการปฏิบัติด้วยการรู้จักกําจัดนิวรณ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลขึ้นมา ดังนั้นวันนี้ท่านก็ได้เรียนรู้เรื่องนิวรณ์หอุปสรกด์ทั้งห้าข้อแล้วถ้าท่านเอาไปปฏิบัติแล้วเจอนิวรณ์เหล่านี้ก็ใช้วิธีที่ได้แสดงไว้นี้ไปกําจัดไปแก้ต่อไปแล้วผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตาังนังอ an ุปการปฏิอิชิตต um ังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกาปา จันโทปัณะราโสยถามณีโชติอาราโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารุโขวินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีฤทสานิจจาวุทาปะจายโน จตารโหทัมมาวัฏาติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปจนกว่าเราจะเลิกประชุมแต่พอหลังจากเลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาต ง, งดถามงดตอบ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่คะวันนี้จาก f a c e b o o สองร y อยแปดสิบสี่ยูสองร้อยี่สิบแปดวิทยุออนไลน์สามสิบแปดผู้รับฟังบนเขาห้าสิบเอรวมหกร้อยหนึ่งท่านค่ะก็มีคำถามให้ทางบ้านเรือทางถามนี้มีใครถามไหมไม่มี พูดใกลยๆปากดังๆหน่อยพูดดังๆนะกาบนมัสการพระอาจารย์หัจะขอให้พระอาจารย์ช่วยสอนเรื่องของหลักของอริยสัจสีที่ปริวัติสิบสองเวียนวนรอบทั้งสัจญานกัตยานกิจยานนี่เราไม่รู้หรอกเราม ไ, มไม่รู้หรอกเราไม่ได้ศึกษาตำราการปฏิบัติเราไม่ต้องไปเรียนรู้แบบนั้นให้รู้ว่าทุกข์ เกิดจากอะไรให้รู้ทุกนี้คือทุกใจไม่ใช่ทุกกายทุกในอริยสัจ ส, สีคือทุกใจยิ่นเวลาไม่สบายใจเสียอกเสียใจนี่เรียกว่าทุกนะที่เกิดกวความทุกข์ก็คือตัณหาความอยากอความอยากได้อะไรพอไม่ได้ก็เสียใจหรือเสียสิ่งที่รักไปก็เสียใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยา่าไปอยากอืม ถ้าเราไม่อยากได้อะไรเราจะไม่เสียใจถ้าไม่อยากจะติดแพทย์พอไม่ติดแพทย์ก็ไม่เสียใจแต่ถ้าอยากจะติดแพทย์พอไม่ได้ติดแพทย์ก็จะเสียใจเห็นถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ใจเสียใจอย่าไปมีอยากอย่าไปมีความอยากกับอะไรเราจะไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจที่ทุกข์ใจเพราะไปอยากให้ได้สิ่งนั้นมีสิ่งนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ อยากให้่างกายของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นก็ทุกข์ใจกันมันไม่ได้ความทุกข์ใจไม่ได้เกิดจากการเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เกิดจากความอยากให้เป็นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราอยากฉนั้นถ้าเราหยุดความอยากได้ปล่อยให้สิ่งต่างๆเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็จะไม่ทุกข์เช่นปล่อยให้ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายไป ห้ามันไม่ได้ทำได้อย่างมากก็รักษามันไปเท่าที่จะรักษาได้ใจก็จะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนจะเป็นเหมือนกับตอนที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่ยวยเพราะใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายใจทุกข์เพราะความอยากอันนี่แหละคืออริยสัจสี่รู้แค่นี้พอรู้วิธีหยุดความอยากก็ต้องยอมรับความจริงต้องเห็นความจริง ควาทุกสิ่งที่เราอยากมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสี่วันไข่บางวันเขาก็ดีบางวันเขาก็ร้ายร่างกายเราบางวันก็ดีบางวันก็เจ็บมันไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันดีอย่างเดียวเราก็จะทุกเวลามันไม่ดีแต่ถ้าเราไม่อยากมันไม่ดีเราก็เฉยเราก็ไม่ทุก เราต้องมาหยุดความอยากของเราไม่ได้ไปแก้ที่ร่างกายไม่ได้ต้องไปแก้คนนั้นคนนี้เพราะแก้ไม่ได้ร่างกายแก้ไม่ให้ว่าแก่ไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาตายได้ไหมไม่ได้เขาก็ต้องแก่เจ็บตายร่างกายของพระเจ้าเองก็ยังต้องแก่เจ็บตายแต่อใจของพระเจ้าไม่ทุกข์กับร่างกายเพราะใจท่านไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปยอมไม่ใช่ปล่อยยอมรับมัน มันเจ็บก็ต้องยอมรับมันมันตายก็ต้องยอมรับมัน <c oughs> ก็เท่านั้นเองความทุกข์เกิดจากความอยากพอเห็นความจริงว่าถ้าเราไม่ไม่รับความจริงเราก็จะทุกข์ถ้าเรารับความจริงเราก็จะไม่อยากเมื่อไม่อยากมันก็จะไม่ทุกข์ก็มีเท่านี้แล้วคืออริยสัจสี ไม่รู้เขาเขียนารายละเอียดกันยังไงเขียนไปแล้วเดี๋ยวไปแบกตําลาเวลาปฏิบัติเราไม่แบกตําลาปฏิบัติเนเราดูของจริงที่เกิดขึ้นในใจเราขณะนั้นตอนนี้เราไม่สบายใจเกิดจากอะไรอ๋ออริยสัจสีบอกใจเกิดจากความอยากตอนนี้เราอยากกับอะไรอยากกับเรื่องไหนอยากกับคนไหนสิ่งไหนเราไปพิจารณาสิ่งนั้นว่าเราอยากแล้วเราได้ไหมไม่ได้แล้วเราไปจะไปอยากมันทาไม เมื่อไม่ได้ก็หยุดอยากเสียก็หมดเรื่องไม่ยอมหยุดเนี่ยไม่ยอมแพ้ไม่ยอมรับความจริงมันก็เลยทุกข์พอยอมรับความจริงเน้ยว่าไม่ได้อยากให้มันหายเจ็บมันไม่หายเจ็บทําไงก็ต้องอยู่กับมันไปก็ปล่อยมันเจ็บไปเราไม่ได้เป็นคนเจ็บซะหน่อยไอ้คนเจ็บมันไม่เดือดร้อนร่างกายมันไม่เดือดร้อนไม่เคยบวดเนี้ยว่ามันเจ็บมันปวดท้องไม่เคยบวดมั้ยมีเราไปบวดแทนมัน เพราะเราอยากให้มันหายเจ็บนะไรอ่เงี้ยแต่เราก็ทำให้มันหายเจ็บไม่ได้แล้วเราไปทุกข์ทำไมถ้าเราไม่เราหยุดความอยากให้มันหายเจ็บได้เราก็จะไม่ทุกข์วิธีทีจะหยุดก็ต้องเนี่ยต้องใช้สมาธิพุทโธพุทโธ ท, ทำใจให้นิ่งสงบเป็นอุเบกขาแล้วมันก็จะไม่ทุกข์ไม่อยาก นี่แหละคืออริยสัจสี่การปฏิบัติกับอริยสัจสี่ไม่ต้องไปท่องตำลากี่สิบสองรอบสิบสองจบอะไรมันให้หนักขัวเปล่ า, า เ, ออเวลาปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้เอาตำลามากลางหรอกมันเอาสติปัญญามากลางมาเอาความเข้าโลกเข้าใจมันเป็นหลักของคณิตศาสตร์มากกว่าเป็นหลักของการจดจําชื่ออาการต่างๆ เวลาเราทำคณิตศาสตร์เราไม่ต้องไปจดจำรู้วิธีบวกลบคูนหารแล้วมันจะให้บวกกี่ล้านกี่แสนมันก็บวกได้ลบได้คำถามจากผู้รับฟังบนนี้นะคะขอแนวทางปฏิบัติในการหยุดความอยากไม่เจ็บไม่ตายอย่างถาวรเจ้าค่ะอก็เพิ่งพูดเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยให้มันเจ็บให้มันเราไปห้ามมันไม่ได้ความแย่ความ ถ้าไม่อยากจะแก่เจ็บตายก็อย่ามาเกิดเท่านั้นแล้วการจะไม่มาเกิดก็ต้องหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยากรูปเสียงกดลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมกูกลิ้นกายก็มาหยุดความอยากรูปเสียงกดลิ่นรสเนี่ยไปภาวนาพุทโธพุทโธไปทำใจให้สงบพอใจสงบความอยากในรูปเสียงกดลิ่นรสก็หายไปถ้าทาให้มันหายไปอย่างทา้าวรได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิด พอไม่เกิดก็ไม่มาแก่มาเจ็บมาตายก็ไม่ต้องมาทุกกับความแก่เจ็บตายต่อไปคำถามที่สองค่ะเมื่อนั่งสมาธิจนลมหายใจละเอียดแทบไม่รู้สึกและรู้สึกรอบตัวสว่างนิ่งเราควรบริกรรมพุทโธต่อหรืออยู่นิ่งๆเจ้าคะเมื่อไรเราจะหยุดบริกรรมพุทโธเจ้าคะจนกว่ามันจะนิ่งอ่ะถ้านิ่งแล้วมันจะบริกรรมไม่ออกมันจะไม่บริกรรม ถ้ายังบริกรรมได้ก็บริกรรมต่อไปจนกว่ามันจะดิ่งลงสู่ความสงบแล้วมันก็จะหยุดบริกรรมไปถ้ายังไม่ดิ่งก็ยังไม่สงบเต็มที่ก็บริกรรมต่อไปแล้วอย่าไปรุนเมื่อไหร่มันจะดิ่งเมื่อไหร่จะดิ่งเมื่อมันไปรุนมันก็ไม่ได้พูดโธเมื่อมันไม่พูดโธมันก็จะไม่ดิ่งอย่างนนต้องพูดโธไปเรื่อยๆอย่าไปคาดอย่าไปหวังให้มันดิ่ง พอไปคาดมันไปเป็นอนาคตแลมันไม่เป็นปัจจุบันเราต้องอยู่ปัจจุบันคือพุโทโธพุโทโธไปคําถามจากคุณพัชรีมีสามคำถามนะคะคําถามที่หนึ่งถ้าเราถวายพัตฐารถ้าเราถวายพัตฐารเช้าตามอาหารที่ผู้ล่วงรับไปแล้วชอบผู้ที่ล่วงรับไปแล้วจะได้ทานอาหารเหล่านั้นไหมคะอาหารเขาก็าไปไม่ได้หรอกอาหารคนตายกินไม่ได้ เราจึงต้องแปลงอาหารมาเป็นบุญเหมือนคนที่ไปต่างประเทศเราส่งเงินไทยแบงก้เขาใช้ไม่ได้นะเราต้องส่งเงินของประเทศที่เขาอยู่ไปให้เขาใช้อันนี้ก็เหมือนกันคนตายอยู่ในโลกทิพย์อาหารในโลกทิพย์นี้คือบุญเราก็ทำบุญไปแล้วเราก็เราก็เอาบุญที่เราทำนี้ส่งไปให้เขาได้ แล้วเขาก็จะอิ่มเขาก็จะได้รับเหมือนกับได้รับประทานอาหารที่เขาชอบเพราะว่าพอได้บุญแล้วความหิวใจของใจก็หายไปความอิ่มใจก็ปรากฏขึ้นมาก็เหมือนกับการได้รับประทานรับประทานอาหารที่เขาชอบนั่นเองบุญนี้เป็นเหมือนแก้วสารพัดเนี่ยผู้ที่อยู่ในโลกของโลกทิพย์หรือโลกของดวงวิญญาณนี้เขาจะใช้ความฝันเป็นอาหารของเขาเป็นเครื่องอยู่ของเขาะ เขาก็จะฝันไปถ้าเขามีบุญเขาก็จะฝันดีฝันถึงอาหารที่เขาชอบกินได้กินอาหารที่เขาชอบได้ดูภาพที่เขาชอบได้ยินเสียงที่เขาชอบถ้าเขาทําบาปเขาก็จะได้ฝันเห็นแต่ภาพที่เขาไม่ชอบเสียงที่เขาไม่ชอบเรื่องราวที่เขาไม่ชอบเพราะเวลาตายไปนี่ดวงวิญญาณต้องใช้บุญหรือใช้บาปเป็นอาหารเป็นตัวให้เสพ ถ้าอยากจะเสบอาหารดีเสบความสุขก็ต้องทำบุญแล้วบุญจะผลิตอาหารที่ดีให้เสบให้ดวงวิญญาณเสบถ้าทำบาปบาปมันก็จะผลิตอาหารที่ไม่ดีให้ให้ดวงวิญญาณเสบอาหารกินแล้วก็ท้องเสียปวดท้องคือจะฝันแต่เรื่องไร้ายๆต่างๆถ้าทำดีทำบุญก็จะฝันแต่เรื่องดีๆเวลาเราตายไปนี่เหมือนเรานอนหลับ ตอนที่เรานอนหลับเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายใช่ไหมร่างกายตอนนั้นก็เหมือนคนตายไมไม่ได้เคลื่อนไหวใจแต่ใจมันไม่มันไม่ไม่หลับไปกับร่างกายใจมันก็ไปกับความฝันจะฝันดีฝันร้ายก็อยู่บุญที่บาปที่เราทำกันในขณะนี้เป็นตัวที่จะผลิตความฝันดีหรือฝันร้ายเวลานอนหลับก็ตายชั่วคราวฝันชั่วคราวแต่เวลา ตายจริงนี่มันก็จะฝันฝันยาวฝันไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ถึงจะตื่นขึ้นมาใหม่จนกว่าจะทอดคอดออกมาจากท้องแม่ลืมตาขึ้นมาถึงตื่นขึ้นมาใหม่แต่ตื่นมากับร่างกายอันใหม่ร่างกายอันเก่าจําไม่ได้แล้วว่าเป็นใครมาจากที่ไหนเพราะมันอาจจะยาวนานแล้วก็ได้ร่างกายอันใหม่ก็เลยคิดว่าร่างกายอันใหม่นี้เป็นตัวเราของเราขึ้นมา นี่คือเรื่องของดวงวิญญาณเพาฉะนั้นพยายามทำบุญไว้มากๆหนึ่งคือจะได้ไม่ต้องรอให้คนมาส่งบุญให้เราสองนอนหลับเราก็จะได้กินอาหารที่เราชอบดูหนังที่เราชอบไปเที่ยวในสถานที่เราชอบได้น่ว่าเรามันจะเป็นความฝันแล้วเวลาเราฝันเราไม่รู้ว่าเราฝันเชื่อไหมเราคิดว่าเราอยู่ในเหตุการณ์จริงเนีคิดว่าเราเหมือนตอนนี้นะความจริงเรากำลังฝันอยู่ แต่เราไม่รู้ว่าเรากําลังฝันกันออเจิตใจเราคิดกับเรื่องราวต่างๆที่เรารับรู้รับเห็นกันอันนี้คือเรื่องของจิตใจมันยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นสดหรือเป็นที่บันทึกเอาไว้เวลาตายหรือเวลานอนหลับก็สายรูปเสียงกลิ่นรสที่เราบันทึกไว้ตอนที่เราเตื่นมาดูกันมาเสกกัน เวลาที่เราตื่นเราก็มาเสพของสดเนี่ยสดสดร้อนรตอนนี้เราเสพเหตุการณ์จริงอไม่ใช่เป็นเหตุบันทึกไม่ใช่เป็นภาพบันทึกเป็นภาพที่ปรากฏเรียลไทม์เนี่ยแต่พอเรานอนหลับไปเราไม่มีเรียลไทม์ให้ดูเราก็เลยไปดูที่บันทึกเอาไว้เราก็จะดูเรื่องราวต่างๆที่เราทํามาทําดีเราก็จะได้ดูแต่เรื่องดี ทไไมม่่่่ดดดีีก็ะจะูแตเืองคำถามที่สองถ้าเราต้องตักบาตรทุกวันไหมคะถ้าเราจะอุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับไปแล้วได้มีอาหารทานทุกวันคะ่ะก็ต้องทําบุญถึงจะมีบุญอุทิศให้เขาหรืออาจจะทําเยอะๆทีเดียวเพื่อเจ็ดวันเลยก็ได้เช่นทาบุญม 100, ันึ่งร้อยทก็ทํามันทีเจ็ดร้อยไปเลย <c oughs> ก็จะได้ ไม่ต้องมารอทําทุกวันก็ได้เพราะบุญมันก็สะสมได้มันโอนเงินใช่ไหมโอนเงินทีละร้อยทีละร้อยแล้วโอนมันทีพันหนึ่งเลยก็ได้มันอยู่ที่ยอดของเงินที่เราโอนไปหรือถ้าเราอยากจะทําให้มันติดเป็นนิสัยอยากจะทําบุญทุกวันเราก็ถ้าวันไหนใส่บาตรไม่ได้เราก็ใส่กระปุกไว้ก่อนก็ได้แล้วพอถึงเวลาเราก็เอาเงินที่เราใส่กระปุกไป ทำบุญแต่อันนี้คนรออาจจะรอนานหน่อยเห็นทําไปก่อนเลยดีกว่าทําไปที่ใส่บาทพระทีเจ็ดรูปสิบรูปไปเลยแล้วก็อุทิศไปทีเดียวเวะอุทิศให้ทั้งอาทิตย์เลยนะนี่โอนเงินมาให้ใช้ทั้งอาทิตย์แล้วไม่ต้องมาคอโอนโอนทุกวันทุกวันเพราะบางวันไม่ว่างจะมาโอนให้อย่างนี้ก็ทําได้แต่จริงหรือไม่จริงไม่ดูนะแต่เราคิดว่ามันก็ มันมันก็คงจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะค่ะคำถามข้อที่สามก็พระอาจารย์เพิ่งตอบไปนะคะเดี๋ยวคำถามต่อไปจะคุณธนากรเราสามารถฝึกกรรมาฐานทั้งสองกองไปพร้อมๆกันได้หรือเปล่าครับเวลาฝึกต้องเอาทีละกองคเหมือนกับเดิมน้ำเดิมเครื่องเดิมก็ต้องเลือกเดิมทีแล้วอย่าง เดือนสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ไม่มีปากเดียวไม่มีสองปากนะเราก็มีใจเดียวเราก็ต้องเอากรรมฐานทีละกองกองแรกก็คือสมถติเอาความสงบก่อนพอได้ความสงบแล้วค่อยมาเอากรรมฐานวิปัสสนากองกอ ง, กองวิปัสสนาต่อเพื่อให้เกิดปัญญามีมีเป้าหมายสองเป้าหมายเป้าหมายแรกทำใจให้สงบเป้าหมายที่สองทใจให้สว่างด้วยปัญญา การที่จะทำใจให้สว่างด้วยปัญญาได้ต้องมีความสงบเป็นเป็นกำลังก่อนเหมือนก่อนจะไปทำงานต้องกินข้าวก่อนใช่ไหก่อนจะออกจากบ้านไปทำงานนี้ต้องกินข้าวให้อิ่มก่อนงั้นเดี๋ยวไม่มีเรี่ยวแรงทางานจิตใจจะไปทำงานวิปัสสนานี้ก็ต้องมีสมาธิเป็นอาหารหล่อเลี้ยงก่อนถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงจะไม่มีกาลังที่จะไปเจริญปัญญาวิปัสสนานได้ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะหนูได้นั่งสมาธิโดยกำหนดพุทโธความคิดเบาบางสงบลงเรื่อยๆแต่มีอาการร้อนขึ้นที่แผ่นหลังและความรู้สึกดันอยากออกมาหนูก็พุทโธไปเรื่อยๆจนแพ้กิเลสออกจากสมาธิแต่ออกมาก็นอนไม่หลับรู้สึกจิตตื่นจึงพ ย, พยายามนั่งสมาธิต่อหรือเปลี่ยนเดินจงกรมแต่หากมานั่งสมาธิก็จะเป็นเหมือนเดิมอีก จึงหาอะไรคิดหรือทำแทนเพื่อให้ความรู้สึกนี้หายไปจะได้นอนหลับจึงตั้งคำถามในใจว่าหากกราบถามพระอาจารย์ท่านจะตอบว่าอย่างไรก็ได้คำตอบว่าในในใจให้วางเฉยและพุโทโธต่อไปอย่าสนใจยังอดทนเพียงไม่พออยากกราบขอคำชี้แนะต่อคะ่ะก็นั่นแหะเรื่องสติไม่พอมันก็เลยเกิดปฏิกิริยากับอาการต่างๆถ้ามีสติพออะไรเกิดขึ้นล้ว ก, ก, ก, ก, ก็วางเฉยได้ เดี๋ยวมันก็ดับของมันไปเองเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับหรือมันไม่ดับมันก็ไม่มารบกวนใจเราเพราะใจเราไม่ไปยุ่งกับมันก็ใช้พุโทโธต่อไปจเจริญสติต่อไปถ้ายังใจมันยังหงุดหงิดอยู่แสดงว่าไม่มีสติทําใจให้นิ่งให้ปล่อยวางนั้นเองคําถามจากคุณปริดา เมื่อสงบมีสมาธิจนจิตละเอียดขึ้นเรื่อยๆจะทราบได้อย่างไรว่าจะเริ่มเจริญรวิปัสนาได้คะมีจุดใดเป็นจุดสังเกตและเราควรอาอะให้บตบโทษค่ะและเราควรเริ่มจากการกระตุ้นความคิด หรือปล่อยให้เจริญในวิปัสนาเกิดขึ้นเองคะ อ, อ๋อยังไม่เจริญในวิปัสนายังไม่เกี่ยวมันคนคาบกันไม่ได้ทำในคาบเดียวกันเหมือนไม่ใช่เรียนวิทยาศาสตร์ไปสิบนาทีแล้วก็เปลี่ยนมาเรียนภูมิศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ชั่วโมงก็ต้องเรียนให้มันจบทั้งชั่วโมง พอขึ้นชั่วโมงสองแล้วค่อยไปเปลี่ยนห้องเรียนเปลี่ยนครูแล้วก็ไปไปเรียน ว, วิชาใหม่สมาธิกับวิปัสสนานี i เป็นคนละวิชาเรียนกันคนละคาบนะเวลาเรียนสมาธิไม่ยุ่งกับวิปัสสนาเลยเอาแต่สมาธิอย่างเดียวให้มันนิ่งให้มันสงบให้นานที่สุดจนกายมันจะหายจากออกจากความสงบแล้วทีนถ้าอยากจะวิปัสสนาก็เริ่มพิจารณา ใจรักได้พิจารณาร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นดินน้ามลมไฟพิจารณาไปทั้งชั่วโมงเลยให้มันเข้าใจให้มันจําได้ต้องพิจารณาอยู่บ่อยๆมันถึงจะเข้าใจถึงจะจําได้ถ้าพิจารณาเพียงครั้งสองครั้งบอกรู้แล้วรู้แบบนี้ไม่พอเดี๋ยวลืมรู้แบบนี้เดี๋ยวลืมเดี๋ยวพอเจ็บท้องขึ้นมาก็ร้องขึ้นมาแล้ะ แต่ถ้าพิจารณาว่ามันเป็นธรรมดาร่างกายเดียมันต้องเจ็บใข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาถ้ามันไม่ลืมมันจะไม่ร้องมันบออนี่แหละมันเป็นธรรมดาวิธีปฏิบัติกับมันก็คือยอมรับมันปล่อยวางมันไปรักษาได้ก็รักษาไปแต่ใจจะไม่วุ่นวายไปกับมันมันคนละคาบการคนละชั่วโมง ปฏิบัติสมาธิก่อนแล้วค่อยไปถ้าสมาธิยังไม่ได้อย่าเพิ่งไปทางวิปัสสนาไปไม่ได้อยู่ดีจะไปก็ไปไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวก็ไปได้แค่สองสามวิก็หยุดแล้วฉะนั้นต้องทําสมาธิให้ชํานาญก่อนหโือเฉพาะจะเปรียบเทียบก็ให้จบระดับปฐมก่อนแล้วค่อยไปสู่ระดับมัธยมต่อไป ไม่ใช่นั่งสมาธิชั่วโมงแล้วออกมาก็จเจริญปัญญาถ้าสมาธิยังไม่ได้มันไม่มีกำลังที่จ ะ, จะเจริญต้องให้มันได้สมาธิจนแน่นจนชำนาญเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการเวลาอยู่ข้างนอกก็มกไม่ฟุง้งไม่วุ่นวายไม่คิดปรุงแต่งถึงราบยศสรรเสริญอันนั้นะถึงจะสามารถที่จะเอาใจมาพิจารณาทางปัญญาได้ คำถามจากคุณธวัชชัยชา้นหนึ่งสองสามและชา้นสี่ต่างจากคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิอย่างไรครับอ่าชนหนึ่งชานสองชสามชันสี่นี่มันก็เป็นความสงบที่มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับพอได้ชา้นสี่ถึงจะเรียกว่าเป็นอัปปนาหรือคณิกะสมาธิ ถ้าเข้าฌานสี่ปุ๊บเดียวลอวถอนออกมาก็เรียกว่าคณิกะสมาธิถ้าอยู่แช่อยู่ได้นานก็เป็นอั ป, ปนาสมาธิไปต้องเข้าสู่ฌานสีถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิถ้ายังไม่ถึงฌานสียังไม่เรียกว่าสมาธิและอุปจารสมาธินี้มันเป็นสมาธิพิเศษคือพอได้พอได้ฌานสีแล้วมันไม่มันไม่นิ่ง มันไม่ถอนกลับออกมาแต่มันไม่มันไม่อยู่ที่เดียวมันออกไปออกไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์เนี่ยเรียกว่าอุปจารสมาธิไปติดต่อกับกายทิพย์นี่ต้องใช้อุปจารสมาธิเวลาพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมกับให้เทวดานี้ต้องใช้อุปจารสมาธิหรือเวลาจะระลึกชาติได้เวลาจะใช้อิทธิ ป, ปฏิหารอะไรนี้ก็ต้องใช้อุปจารสมาธิแต่สมาธินี้ไม่เหมาะกับการ ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนการเจริญทางวิปัสสนาเพราะไม่มีอุเบกขาสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะก้าวไปสู่วิปัสสนาต้องไม่ไปไปสนใจกับเรื่องอุปจารสมาธิถ้าจิตมันออกไปทางอุปจาระก็ต้องดึงมันกลับมาให้อยู่ในอัปปนาสมาธิให้มันนิ่งให้เป็นอุเบกขาไปนานๆแล้วพอถอนออกมามันจะมีความนิ่งติดมา มีความเฉยติดมาที่จะสู้กับความอยากต่างๆได้ถ้าไปทางอุปจาระพอออกมาแล้วจะไม่มีกําลังเหมือนนอนหลับนอนหลับสนิทไม่ฝันกับนอนหลับแล้วฝันนี่ต่างกันเวลานอนหลับสนิท ต, ตื่นมาจะสดชื่นเวลานอนหลับฝันบางทีจะเหนื่อยเวลาออกมาจากเวลาตื่นขึ้นมาฉะนั้นอย่าไปทางอุปจาระ อุปจาระนี้ไว้เป็นสำหรับเป็นของแถมของเล่นของผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตะ์ชั้นท่านใช้อุปจาระสมาธิมาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นไม่ได้ทาประโยชน์ให้กับตนเองอุปจาระสมาธิไม่เป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติกับเป็นโทษว่าจะพาให้หลงทางได้คำถามจะคุณวสาันต์ การภาวนาโดยใช้คำบริกรรมพุโทโธจัดอยู่ในกรรมฐาน40ข้อไหนครับอนุสติไงพุทธานุสติเราเลิกถึงพระพุทธคุณจะสวดอิติปิโสก็ได้จะ เ, เลิกึชื่อของพระพุทธเจ้าก็ได้ก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติเหมือนกัน คำถามจากคุณปรีดีผมเป็นพนักงานทำงานบริษัทจะพักทานอาหารกลางวันก็เลยเที่ยงไปแล้วบางทีบ่ายโมงอยากถือศีลแปทุกวันข้อวิการและโภชนาเลยเที่ยงวันจะผิดไหมครับก็หมุนนาฬิกากลับไปสักชั่วโมงก่อนด้วยก่อนยันชานทีมองนอกก็ยังมีหมุนนาฬิกากลับกันได้นวะใช่ไหมอา่าทำไมไม่ผิดอ่ะใช่ไหม ก็อยู่ที่เราจะสมมุติเวลาของเราเองเราก็หมุนนาฬิกาเรากลับไปสักชั่วโมงก่อนเราก็เริ่มทํางานเช้าหน่อยท่านี่จะทำเจ็ดแปดโมงแล้วก็ทำเจ็ดโมงใช่ไหมนาฬิกามันบอกเอเราก็มันก็เพียงแต่เปลี่ยนนาฬิกาท่านั่นเองพอถึงเวลาสิบเอ็ดมงแล้วก็ก็เป็นเที่ยงของเราเราก็กินอาหารของเราก็เหมือนกันเวลาเราไปทํางานแล้วก็หมุนนาฬิกาเรากลับมาสักชั่วโมงหนึ่งก็แล้วกัเกนเวลาจริง เขาแปดโมงเวลาจริงของเราก็เจ็ดโมงก็ถือว่าเราเริ่มทำงานตอนเจ็ดโมงอของเราไปอพอถึงเวลาสิบเอ็ดโมงเราก็กินข้าวได้เพราะเวลาจริงมันเที่ยงนะแต่เวลาของเราก็คือบสิบเอ็ดโมงยังรักษาสินป่าได้อยู่ก็เท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรหรอกมีไว้เพื่อไม่ให้เรากินมากเกินไปเท่านั้นเองการที่ถือสินป่านี่ เรื่องของอาการกินอาหารเพื่อให้เรากินตามความอยากกินเพื่อเป็นยารักษาเลี้ยงดูร่างกายเพราะกินมากมันจะทําให้งว่วงทําให้ขี้เกียจเท่านั้นเองจึงก็เราก็ใช้เวลาของเราก็เลยเราถือสิน 8, แปดเราก็เลื่อนเวลากลับมาหนึ่งชั่วโมงพอเวลาเที่ยงจริงของเขาแล้วก็เป็นสิบเอ็ดมงของเรา <laughs> เราก็ไม่ผิดศีล <laughs> คำถามเจะคุณพิชัยถ้าผมต้องไล่พนักงานออกเนื่องจากเขาขาดความรับผิดชอบจะเป็นกรรมไหมครับกรรมอาจจะไม่มีอาจจะมีเวรคือเขาไม่พอใจเราก็ได้เขาก็อาจจะพยาบาทขาวหน้าเขามีโอกาสล้างแค้นเขาก็อาจจะล้างแค้นเราก็ได้แต่ถ้าเราให้ความเมตตาแล้วก็ใช้ความพยายาม เกิดเตือนกันก่อนบอกกันก่อนให้เขามีโอกาสได้แก้เนื้อแก้ตัวไม่ได้ทำด้วยอารมณ์โกรธเกลียดเขาต้องอธิบายว่ามันทำให้ความเสียหายแให้แก่บริษัทถ้าอยากจะอยู่ก็ต้องปรับตัวเองจ้างมานี่เพื่อให้มาทำประโยชน์ไม่ใช่ให้มาทำความเสียหายต้องใช้เหตุใช้ผลอธิบายเขาฟังอย่างนี้เวรกรรมก็อาจจะไม่เกิดเพราะเขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้ทาด้วยความโกรธเกลียดเขา แต่ถ้าเราทําด้วยอารมณ์อํานาจบาดใหญ่อันนี้ก็จะทําให้เขาอาคาตพยาบาิเราได้คำถามจะคุณเจ้าป่าเวลาสวดมนต์ไหว้พระจําเป็นไหมครับว่าต้องสวดมนต์บทอัญเชิญเทวดาไม่จาเป็นหรอกอันนี้เป็นสูตรของการสวดเท่านั้นเองเป้าหมายของการสวดก็คือการเจริญสตินี่เอ คือไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับบทสวดมนต์มันก็จะทำให้ใจลืมเรื่องต่างๆไปแล้วทำให้ใจเย็นลงสบายขึ้นแต่ถ้าเราไม่สวดเอาก็ยังคิดถึงงานคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ความวิตกกังวลห่วงใยอะไรต่างๆก็ยังจะเกิดขึ้นมาได้อยู่แต่พอเรามาสวดมนต์ไม่ว่าบทไหนก็ตามมันก็จะดึงใจเราออกจากความคิดเหล่านั้นให้มีอยู่กับการสวด นั่นจะสวดบทไหนก็ได้แต่ถ้าเราไปอยู่กับเขาสวดกับคนอื่นเขามีสูตรของเขาเราก็ต้องว่าตามสูตรของเขาไม่ต้องไปเถกไปเถียงกันเดี๋ยวมาอ้างเราว่าอาจารย์บอกไม่ต้องชุมนุมเทวดาก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้ว่างั้นหมายความว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเราอยากจะสวดบทไหนก็สวดได้จะสวดคําเดียวก็ได้พุโทโธพุโทโธไปก็ได้มันเป็นวิธีของการเจริญสติเป็นการเจริญกรรมฐาน เพื่อให้ใจสงบไม่ให้คิดฟุง้งซ่านเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไปสวดกับกลุ่มไปวัดนี้เขาวัดเขามีธรรมเนียมก่อนจะสวดอะไรต้องมีอัญเชิญเทวดามาก่อนเหมือนกับว่าเทวดาจะได้มาฟังการสวดของเราอันนี้เป็นความเชื่อเท่านั้นเองเราสวดไปไม่ถึงเทวดาเราเพราะใจเราไปไปใจเราเข้าอุปจารสมาธิไม่ได้ จะติดตากับเทวดาได้ต้องเข้าไปในระดับอุปจาระสมาธิฉะนั้นสวดไปยังไงเทวดาเขาก็ไม่ได้ยินอยู่ดีคำถามจาคุณเจ้าป่าเวลาขอโทษค่ะคำถามจาคุณติตามนการที่เราพูดไม่ตรงกับใจหรือพูดไม่ตรงกับความรู้สึกถือว่าเป็นการโกหกหรือไม่เจ้าคะก็ถามตัวเองนะ่ยโกหกหรือเปล่า มาถามเราทำไมนะคําถามจากคุณดนภาจะทําอย่างไรถึงจะเอาชนะกิเลสในใจได้เจ้าคะ่ะจะเอาอะไรมาคุมใจไว้เจ้าค่ะก็สติปัญญาเนี่ยสติก็คุมมันได้ชั่วข่าวพอมันอยากซื้อกระเป๋าก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็ลืมมันก็หยุดชั่วข่าวเดี๋ยวพอมันเผลอกลับไปคิดถึงกระเป๋าใหม่มันก็อยากใหม่ ถ้าอยากจะเลิกไม่ซื้อจริงๆก็ใช้เหตุผลปัญญาว่าเรามีกี่ใบแล้วกระเป๋าพอใช้หรือยังถ้าไม่มีกระเป๋าใบนี้จะตายหรือไม่จะลําบากหรือไม่จะเสียหายหรือไม่ถ้าไม่มีก็เก็บเงินไว้ไม่ดีกว่าเลยเวลาเป็นซื้อกระเป๋ามาแล้วเวลาจะเอากระเป๋าไปซื้อของไม่ได้นะไปแลกเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้ายังเป็นเงินอยู่ยังไปแลกไปซื้ออะไรได้ไปซื้อสิ่งที่เราขาดแคลนเดือดร้อนได้ แต่พอเราขาดแคลนเดือดล้อนจะเอากระเป๋าไปแรกนี่ได้ไม่กี่ตังค์นะอใช้เหตุใช้ผลนะมันก็จะได้ยับยั้งความโลภต่างๆได้เก็บเงินไว้ดีกว่าเงินทองมีประโยชน์กว่าเป็นแก้วสารพัดเนี่ยกระเป๋าก็เป็นแค่กระเป๋าแต่เงินทองนิเสกเปลี่ยนจากกระเป๋าเป็นรองเท้าได้เป็นเสื้อผ้าได้เป็นอาหารได้เป็นอะไรต่างๆนานาได้เออใช้เหตุใช้ผลแนละ้วก็จะหยุดความโลภได้ คือถ้าไม่มีมันแล้วตายมันถามแค่นี้ถ้าไม่ตายก็ไม่ต้องมีมันนะอันนี้ก็จบคําถามจากคุณชีรยุทธการทําบุญกับทําทานวิธีการทําต่างกันอย่างไรครับบุญเป็นผลทานเป็นเหตุคําว่าบุญนี้คือผลที่เกิดจากการทําทาน นอกจากการทำทานแล้วมีวิธีอื่นทำให้เกิดบุญด้วยไม่ใช่ทำทานอย่างเดียวรักษาศีลก็เกิดบุญนั่งสมาธิก็เกิดบุญบุญคือความสุขใจอิ่มใจสบายใจซึ่งเกิดได้หลายทางด้วยกันการทำทานก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาที่เรียกว่าบุญหมดแล้วเหรอโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหม